ว่ควายมูม้าเป็ดไก่มันก็หากินเหมือนกันลูกต่มก็มีพ่อแม่มันก็มีต่างคนต่างสิ่งมันมาหามาหาอยู่หากินเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบอไม่เบียดเบียนกันเราพวกคนเรานี่ก็ไม่เหมือนสัดเป็นคนเป็นสิ่งที่ แต่เป็นสัตว์ที่รู้ภาษากันพูดจากันได้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็เหมือนกันกันกบคนคนเรานี่แหละมันมีความหึงความหวงห่วงใยไปบดมีหญ้ามีอะไรกินด้วยกันมันก็มันก็ขว ม, มเห็นกันเหมือนกัน มีตัวชนะมันก็ได้กินดีสัตว์ทุกตัวมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นไก่เป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอะไรก็แล้วแต่มันต้องเอาใครชนะกันอยู่เรื่อยๆถึงห่วงถิ่นใข่ถินมันอย่างที่หลวงพ่อไปเนี่ยไปไปเขาใหญ่ไปนอนเขาใหญ่คืนหนึ่งก็ไปดูสัตว์ที่มันลงมาเล่นที่เดอันที่เขาทําป่า เตือนว่าให้มันให้มันมเล็ดน่ตอนกลางคืนเขาก็ขึ้นรถไปดูแต่วันที่พ่อลงพ่อไปนั่ น, นะคนมันไปหลายต้องกระเสียงรถมันดังตลอดไม่ได้ขัดระยะก็เลยไม่มีสัตว์ตรงมาให้ให้ได้ดูก็มีแต่เม่นมีแต่กวางลงมากวางเนี่ยมันไม่ยากหรอกเราขี่รถ ขึ้นรถไปก็เห็นมันอยู่มันเดินดูเราอยู่นี่แหละอยู่ที่ทางใกล้ๆรถเราผ่านไปผ่านมานะมันก็ไม่กลัวเลี้ยงมันก็ยืนอยู่ท่อนั่นแหละเนทางที่เราขึ้นรถไปตอนเย็นตะวันก็ยังไม่ตกดินหรอกมันก็ออกมาเล่น พอมาถึงที่โรงแรมที่เขาทำแหวต้อนรับเนี่ยก็ตามดูแถวๆนั้นมีแต่มีแต่ลิงหลายหลายกว่าเขาแท้ๆจัดอยู่ที่นั่นนะ่ะนั่นแหละมันก็ไม่ได้จองเวนจองกรรมกันเท่าท่คนหรอกคนนี้ฆ่ากันได้กันงคืนนี้ก็ฆ่ากัน อยู่ทั้งบ้านเนี่ยบ้านทำราไฟเนี่ยวะเขาเป็นงานอะไรกันก็ไม่รู้หรอก เ, เราก่อฆ่ากันแทงกันนขัดมันอยู่นั่นแหละแต่พวกนนพวกที่เขาไม่ได้มาศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจของเขาเขาก็เอารัดเอาเปรียบกันอยู่นั่นไม่ให้ได้ ไม่ได้ไม่ดุไม่ยอมต่างคนเราไม่ยอมกันแหล ะ, ะไม่เขาก็เราเนี่ยพวกปีมะนตทิฐิถือเนือ้อถือตัวนั่นแหละมันมันก็เป็นอยู่นั้นเขาเกิดมาเนี่ยกลังอาคาตบานแบ่งกันอยู่งั่นแหละไม่รู้จักเกบอย่างดีเนอถ้าเราไม่แม่อนุญาตให้กันต้องพักก่อนให้ขันด้วยเอาสิอภัยให้กันเนี่ย เขาคราชางอยู่อย่างนั้นเมื่อก็เดือดร้อนไปแหละเขาไม่มีเขาไม่ได้มาศึกษาทำจริงมีในอะไรเขาก็ไม่มีเราเนี่ยมาฝึกมาหัดเนี่ยมันจะได้รูจากภาษาภาษาคนภา ษ, าษาสัตว์เนี่ยเรายังเป็นสัตว์อยู่เหมือนกันเพราะว่าสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงสามารถจะละทั่วทําดีได้ทุกคน เนี่ยทำผัวมากๆอย่างเนี้ยเขาก็ทำดีต่อไปอีกก็มกกีก็มีทั้งไปถ้าเขาคิดได้อะถ้าบางคนก็หยุดไม่ได้ทำทำความดีก็ทำได้ยากนั่นแหละให้เราพยายามทำเรามาศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเราก็ ลดหย่อนผ่อนผันให้ซึ่งกันและกันไม่เอารัดอเอาเปรียบกันสิ่งที่พอจะละเราก็ให้ละออกไป อ, อ, อย่างที่เขาฆ่าฟันรันแทงอยุเดนเน่เรากินเหล้านั่นแหละกินเหล้าล้วก็ไปเล่นไพ่กันเล่นไพ่เล่นโบกเล่นอะไรกันเนี่ยหายโลกันแล้วก็กุมเงินกันบ้างก็บาทเยี่ยติบาด ก็เลอาฆาตกันฆ่ากันจึงนั่นแหะนั่นแหละคนที่ไม่ไม่ได้ศึกษาเรื่องวิจิตใจเนี่ยเขาก็ใช่กันไปอย่างนั้นแหละเอารัดเอาเบียบกันอย่งนั้นอ่ะไม่ได้ลดหย่อนผ่อนผันกันนั่นแหละน เ, นเขาไม่ได้ฝึก ไ, ไม่ได้หัดเขาจะมีมณะทิฏฐิถืออยู่อย่างนั้นเป็นประจำเ่ยพวกเราเนี่ยมาศึกษาเนี่ย ให้เราพยายามเราทุคุมงามความดีเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยมันเป็นหนูเนี่ยพวกมนุษย์พวกเรามันต้องมาเรียนมาฝึกมาหัดตัวเองคนอื่นเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเหมือนเราเขาก็ทำผิดผิดประพา ด, ด, ดไปเขาก็ไม่ได้ดูตัวเองเขาไปดูคนอื่นว่าคนนั่นมาทำมารุทุกคนนี้มาทำมารุุกเราทุก คนนั้นมาข่มเหงเราคนนัน้นนี่มาข่มเหงเราแล้วก็อาฆาตกันเผอเมื่อไรเราก็เอามันมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนั้นน่<อ>นั่นเนี่ยคนไม่ได้ศึกษาธรรมะพวกเรามาศึกษาเนี่ยเราจะรู้จกักใช้ชีวิตของตัวตัวเองเป็นเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีเราก็พยายามคนอื่นอย่าไปดูเขา ให้มาดูตัวเองมาแจ้ตัวเองไม่มีใครจะมาทำให้เราได้หรอกทำคุณงามความดีเนี่ยเราทำเอาเองคนอื่นเขาไม่ทำก็ม่อย่าไปว่าเขาเราถ้ามันหนีไม่พ้นเราก็หาวิธีหลบหนีดีกเอาให้มันพ้นอย่าไปถือได้พวกเป็นพวกมีมณทิติถือเหนือเ ท, ท, ท, ท, ท, ท, ทตัวนะ ให้เราพยายามมาดูดูตัวเองอะ่ะไม่มีใครจะแก้ให้เราได้แล้วก็ไม่มีใครจะมาทำให้ให้เราได้เราทำเราเองทุกอย่างถ้าเราเป็นคนดีแล้วเราจะต้องแก้ตัวเองคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นให้เราแก้แตวเรามาต้องไปสนทนาด้ยาวยว่าคนนี้มันเป็นคนพาลแล้วก็ให้พยายาม นี้ให้ได้เราจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาให้มาดูนี่แหละดูใจตัวเองเนี่ยคนคนพาลอยู่ในตัวเรานี่มันมันยิ่งร่ายกว่าอยู่อยู่กับคนของคนอื่นเนี่ยคนคนพาณที่อยู่กับตัวเราเนี่ยคือควา ม, ม โ, โ, โ, โ, โมโหโทโชความบอระอะเปียบกันนี่แหละไม่ให้ใครไ ด, ไ, ดได้ได้ได้ได้มากกว่าเราต้องให้ได้มากกว่าเขา ต้องให้ได้เปรียบเขาอย่างนั้นยังจะนอนหลับยังจะสะใจตัวเองถ้าไม่ได้อย่างนั้นเขาก็นอนไม่หลับมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละสร้างสร้างอะไรมันก็ได้แก่แก่พวกนั้นแหละคนทำที่เขาฆ่ากันเนี่ยบ้านไม่ได้มาอยู่บ้านนอกพระนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนหาที่อยู่ไม่มี ว่านายจะจับว่าเขาจะไปเห็นต้องอยู่นห่ก็ต้องดบหลบนี่นี่อยู่นั่นั่นแหละไม่มีความถูกเลยทุกอกทุกใจนั่นตกนรกทั้งดิบทั้งไม่ตายมันก็ตกอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเรามาเนี่ยอย่าไปทําอย่างนั้นมันไม่ดีทําให้พ่อแม่เราอ่ายินไม่ได้นอนไม่หลับ ลูกค่าพ่อข้าแม่ไม่ใช่ว่าเอาขอนไปบวยเอาหรือว่าไปเอาอะไรามาปันมาแทงมายิงอแบบนั้นไม่ใช่เพียงว่าตั้งแต่เราทําความชั่วลงไปเท่านั้นอ่ะพ่อแม่เราอะ่ะนอนไม่ได้เลยอืห่วงอะไรก็ไม่ห่วงเท่าลูกเนี่ยลูกมาปลึกมาหัดมาปฏิบัติแบบนี้พ่อแม่เรานอนตาหลับถ้าไปเป็นการดเวร ง, งานอยู่ทางบ้านถ้าเราไปดูการเวร ง, งานเนี้ยพ่อแม่เราอะจะนอนไม่หลับเลย ได้ยินเรื่องอะไรเนี่ยกลัวจะถูกแต่ลูกตัวเนี่ยจะมีเรื่องมีเราถ้าลูกตัวเองว่าไม่เป็นไรว่ามันไม่เป็นอะไรกันหรอกมันก็พอเห็นมันน้ําหน้ามันมาบ้านก็ดีอกดีใจแล้วพ่อแม่เราเนี่เพราะฉะนั้นให้เราพยายามสงสารตัวเองสงสารพ่อสงสารแม่เราเราพยายามทําคุณงามความดีให้ได้อย่าไป บล่อยปละเลยจิตใจของเราเนี่ยถ้าไม่มาฝึกมาหัดมันก็ไม่รู้จักเรื่องชีวิตไปทางที่ผิดๆไปหาฉกรรจ์ขโมยนี่หาจี้ป้นทุเรีว่วแต่มันจะเป็นไปไปตามมันความคิดมันหมดเนี่ยเรามาฝึกจิตฝึกใจเนี่ยให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองมีกายกับใจที่เรามาอยู่ดยเดี๋ยวนีมายกมือเนี่ยทำลงไปไม่ไม่เป็นไร ทำมากเท่าไหรยิ่งดีเราตั้งใจตั้งอกตั้งใจมาแล้วก็ให้มันได้ทําได้ทุกอริยบทพออริยาบนั่งมันเหนื่อยเราก็ยืนขึ้นเดินเดินดูกายกับใจมันเคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวไปไม่ก็ให้เราดูเอดูตัวเองบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไล่ สิ่งไหนมันทีมันมีอยู่กับเรามันก็แสดงออกมาเช่นความเหนื่อยความขี้เกียจที่ข้านควงม่วงเมาเฮานอนสารพัด ท, ทั้งเต็มมันจะเกิดขึ้นใจมันก็ชิดทอแทะไม่อยากทำเนี่ยมันทีอ้างว่าร้อนนักหนาวนักคนขี้เกียจที่ข้านมันเอาสิ่งนั้นมาอ้างเอาสิ่งนี้มาอ้างนั่นแหละให้เราพยายามต่อท่านมัน ทักท่วงมันมันจะไปไหนมาไหนเวลาเราเดินเนี่ยเราอย่าไปตามใจมันมันจะชวนเราไปที่นู้นที่นี่ไม่ต้องไปมันมันทักท่วงมันมาอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จะตอบให้เรามาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมจะไปนู้นไปนี่ไม่ได้อาจารย์ท่านบอกให้อยู่นี่กําลังเดินอยู่เนี่ยให้ดูกายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้นั่นแหละ แล้วก็ให้รู้จักชื่อมันด้วยเราอะหมดเนื้อเปิดตัวเนี่ยมีสองอย่างคือมีกายกับใจ ừ, มีสองคนนั้นนันแหละที่ก่อเรื่องก่อราวอยู่ในถัวงเราเนี่ยทำให้เดือดร้อนเนี่ยคือกิจใจของเราทั้งกายเนี่ยไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดแล้วก็ต่างคนต่างไปืใจมันก่อไปพอมันออกจากกายไปไปเที่ยวทั้งโน้นไปเที่ยว ท, ทั้งนี้แต่แต่มันจำไปไปที่ไหน ที่ไหนมันเคยไปมันก็จะไปที่นั่นส่วนใจนี่มันก็ทำงานหมดวันเนี่ยประเดี๋ยวทำมานน้นประเดี๋ยวทำมา น, นี่ส่วนจิตใจไปหาสิ่งนั้นไม่คิดสิ่งนี้ไม่คิดแบก sei, เอาสิ่งนั้นมาแบกเอาสิ่งนี้มาแบกก็เลยหนักหนักอกหนักใจครับอกครับใจแข็งอกแค็นใจประเดี๋วดีประเดี๋ยวชั่วเนี่ยมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเราพยายามมาดูตัวเองให้เห็นตัวเอง hey, ดูกายเคลื่อนไหว เนีมันยกมือนะมันมีอะไรสั่งไหมใครบอกมันมันยกมืออยู่เนี่ยยกเอามือขึ้นเอามือลงเอาลงเราก็รู้จกักเอาขึ้นเราก็รู้จกักเดินเคลื่อนไหวไปด้วยวิธีใดก็ก็มันรู้เนี่ยมันมีสิ่งที่บอกมีคนพาสั่งมีคนหนึ่งเป็นผู้สั่งทำจะเดินไปเนี่ยเขาบอกว่าเดินไปนั่นไปนี่เถอะเราก็เดินไปเดินไปตั้งแต่ก่อนนะขาดทุน ไม่มีกําไรเลยอ ต, ตัวเดียวตัวนี้แหละกำไรของชีวิตของเราอ่ะที่ยกมืออยู่นเนี่ยเนี่ยยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังให้รู้รู้รู้รู้เฉยเฉยกายมันจะทํำยังไงมันจะยกไปที่ไหนมาไหนให้มันรู้ด้วยตัวตัวรู้ตัวนั้นอ่ะมันติดกันไปเนี่ยมันมันจะรู้อยู่อย่างนั้นเราจะไปเผือถ้าเผอเมื่ อ, อไรมันก็ออกไปออกไป ถึงกรุงเทพนั่นแหละมันเร็วเลยอ่ะเร็วเร็วที่สุดเหมือนเหมือน้อนาแลบเร็วกว่า้าแลบอีกมันไปปั๊บมันกลับขึ้นมาไปถึงประเทศนอกมันก็ไปได้นี่ไปที่ไหนมันก็ไปนั่นแหละเราจะมาฝึกให้ของสองสิ่งเนี่ยเป็นสมัมคีกันคือกายกับใจกายเคลื่อนไหววิธีใดก็ให้ใจรับรู้ไปด้วยนั่นนะใจรับรู้ไปด้วยเนี่ย ตัวรู้นั่นแหละเป็นผู้ควบคุมเนี่ยถ้าใจเอากายมันไม่ทํางานไม่ ก, ก็ใจมันก็ออกหนีไปเรายกมือไว้ยกมือไหวนะให้รู้ไว้ให้รู้สึกไว้เนี่ยพอเรารู้สึกเกิดจิตตัรู้นั่นแนหะมันก็กลับขึ้นมามันมาแล้วก็ภาพมันทําอยู่นี่แหละพอมันดึงไปแล้วพอมันออกหนีไปแล้วก็ดึงเข้ามาอีกเอ มันคิดไปร้อยแปดพันประการเอากำหนดมันไม่ได้หรอกแต่ว่าให้เราให้พยายามดูมันให้ทันมันนี่คือมาทาความรู้สึกหรือทําให้มันทันความคิดเนี่ยมันจะคิดไปที่น่นมันจะคิดไปที่นี่ให้เราพยายามสังเกตตัวเองเนี่ยเนี่ยเอากายเป็นนิมิตเนี่ยยกขึ้นเราก็รู้เอาขึ้นเราก็รู้เอาลงเราก็รู้ แขนมือซ้ายมือขวายกขึ้นเรารู้จักรู้จักรู้จักเนี่ยให้พยายามทําเคลื่อนไหวเนี่ยให้มันรู้สึกไปรู้แล้วก็อย่าไปอยู่ในความคิดรู้แล้วก็ให้มาเอาตะลู้นี่แหละมาอยู่กับตะลู้ให้กายเคลื่อนไหวให้มันรู้ก้าวไปก้าวหนึ่งก็รู้สองก้าวก็รู้สองครั้งสามก้าวก็ได้สามครั้ง พอร้อยเก้าเก้าสเก้าไปแล้วก็จิตใจของเรานั้นนะถ้ามันไม่แตกกันแล้วมันจะเบามันสบายมันก็ไมไ่คิดออกไปทั้งไหนเนี่ยเราก็จะค่อยเห็นเข้าเห็นเข้าถ้ามันคิดมากๆเราจะไปสนใจอะไรอันอื่นให้สนใจก า, กายกับใจมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยพอมันเหนื่อยแล้วก็อย่าไปตามใจมันเดินไปจากประมาณจาก ก็ในทีติบนาทีก่อนจะค่อยหยุดให้มันเราจะไม่เชื่อมันต่อไปเชื่อกายกับใจเนี่ยอย่าไปเชื่อมันอืมประเดี๋ยวมันตั้งแต่ก่อนอ่ะมันจะชวนเราไปทั้งนู้นไปทั้งนี้ไปเล่นที่นั่นไปเล่นเดินที่นี่เออมันขี้เกียจมันก็พาเรานอนมันทวนเรานอนเราก็นอนเนอมันสารพัดอะไรไปพาเราไปอ่ะมันลากมันไถเราไปเรื่อยๆไปวันนี้เรามาเห็นมันแล้ว เราไม่ต้องไปเป็นวิธีครูบาอาจารย์ท่อนท่านสอ น, นท่านบอกอยู่เนี่ยให้เราพยายามทําให้แน่วแน่ให้แนบแน่นให้เป็นอันเดียวกันด้วยวิธีใดก็ตามให้ใจกับกายเนี่ยมันไปด้วยกันเนี่ยคนหนึ่งเคลื่อนไหวคนหนึ่งรู้คนมันมีสองคนอันรู้เนี่ยคืออะไรเคลื่อนไหวอยู่นี้คือใครเป็นคนเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยให้รู้จักสองอย่างนี้เราก็ให้ดูมัน ให้รูปชัดๆเขาเรียกว่ารูปรูปนามรูปถ้ามันไม่ชัดเก็อีกให้มาดูอีกเนี่ยรูปทำรูปทำนามทำรูปทำคืออะไรรูปทำคือทําการทํางานทําอะไรเป็นรูปทำหมดเนี่ยให้มันรู้จากอะไรเป็นรูป อ, อันตัวจะรู้นั่นแหะตัวหนึ่ง ตัวเคลื่อนไหวอยู่นี่ตัวหนึ่งตัวรู้นี่มันสั่งสั่งให้ยกมือเออเอาขึ้นเอาลงนี่พอมันออกไปก็มายกมือให้มันรู้ดึงเข้ามามาอยู่กตัวรู้สึกนี่มันก็มาดีแหถ้าจิตใจของเราอ่ะดูเท่าทันมันก็ไปแล้วเม่อไหรกลับขึ้นมาพอรู้มันก็กลับขึ้นมา ถ้ามันยังไม่กลับขึ้นมามันไปติดอยู่ในความคิดมากๆให้เราพยายามเดินจยกมเนี่ยมากๆสร้างแควาลมากๆทำความเพียรให้มากๆเราอย่าไปยอดท่ออย่าไปเอาอะไรอย่าไปส่งเสียงกับอะไรทั้งหมดให้เรามาอยู่กับตัวเคลื่อนไหวให้อยู่นี่นะทำมันเหนี่ยก็อดทนต่อมันมันอยากไปที่โน้นมันอยากไปที่นี่เรากไ็ไม่ไปตามใจมัน ให้เราพยายามทําให้มันได้เข้าใจเนี่ยถ้ารูปรู้รูปรูปรปรปรป้นามรู้กายรู้ใจของเราแล้วนะ่ะมันจะค่อยเดินไปตามทางของมันเองอจะไปที่ไหนที่ไหนนะ่ยของสองสิ่งนี้มีความมจำบกีกันแล้วมันจะมีกําไรนี่แหละกาไรชีวิตของเราอะ่ะคือตัวรู้เนี่ยตัวบุญตัวบุญนี่เนี่ตัวติณตัวทำคือมาอยู่ที่นี่ให้เราพยายาม ดูอยู่นั่นแหละวันยังคำ่ำหลยหลายวันก็วันตีวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีทำอยู่นี่แหละทำจนมันเคยชินความเคยชินของเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนนะมันจะกินมันจะเล่นมันจะไปที่ไหนมกกันก็ไปจนว่ากลายเป็นความเคยชินมันเคยรักเคยชังเคยอิจฉาเคยพยาบาทเราไม่ค่อยได้อด เราไม่ได้ไปฝึกมัน่ะก็ไปตามมันนั่นแหละมันนี้เรามาแล้วเรามาเข้าใจมาฝึกแล้วจะเห็นมันใจของเรามันเห็นเออมันชิดออกไปที่ไหนที่ไหนน่ะเราตามเห็นมันเออมันจะบอกได้แล้วก็เรามีที่อาศัยคือมาอาศัตัวรู้ตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยกับกายเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันมันหนีไปไ ด, ได้ไปไหนก็ไม่ต้องไปออยู่นี่แหละเดินอยู่นี้ เนี่ยให้มันดูของของของของสิ่งเนี่ยถ้าเราอยากทันเขาทันเขาเรามันจะห่างออกห่างออกเออเราเดินไปเนี่ยจ ะ, ะ, ะบยสบายสบายเออนั่นแหละถ้าเราไปติดมันก็ไม่ได้เอออย่าไปติดมันอันในเกิดก็ให้เรารู้จะให้ให้เรารู้ให้เราเห็นให้เราเข้าใจเราไม่ต้องไปเข้าไปเป็นกับเขาแล้วจะไปห้ามเขา เขาจะไปที่ไหนก็ตามไม่ต้องไปห้ามเขาให้จะมาอาศัยตัวรู้สึกเนี่ยพอคิดปับ๊บเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจิตใจของเรามันเข้มแข็งแล้วสติเราเข้มแข็งพอเห็นเนี่ยมันจะออกมันจะขาดออกไปเลยมันจะไม่มีเย่อใหญยพอเห็นปับ๊บขาดออก ป, ปับ๊บเห็นปั๊บขาดไปปับ๊บมันก็สบายใจของเราก็ปล่อยปลอดปลงโล่งสบายเดินไปเนี่ยมันจะเกิดความข ย, ยันเนี่ยมันจะเบากายเบาใจ สบายใจนั่นแหละค่อยๆทําไปสิ่งทั้งหมดมันอยู่กับเราไม่มีที่ไหนอะร้อยแปดพันประการตัวจิเลศตัวแล้วตังแต่มันจะเป็นถูกแตนมันจะไปแต่ว่าเราอย่าไปเป็นผู้เป็นกับเขามีตัวจิเลศเท่าไหร่น่ะทําให้เราทุกข์อ่ะอันดีมันก็ทุกข์ไปทั้งดีไอ้ชั่วมันก็ทุกข์ไปทา้งชั่วเออทั้งดีทั้งชั่วมันมา อยู่กับเราเนี่ยมันแปรปวนเป็นธรรมดามันแปรปวนไปไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, มันหลอกมันล่อให้ไปติดสิ่งนั้นไปติดสิ่งนี้คิดถึงอันนั้นคิดถึงอันนี้ทั้งดีใจทั้งเสียใจเอาแต่มันจะเป็นทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตนั่นแหละกลางคืนนอนฝันกลางวันนั่งคิดนั่นแหละทุกเพราะอะไรทุกเพราะความคิดถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่ทุกนี่แหละพยายามให้เรามาฝึกขัด ให้มันรู้จักใช้ถ้าใช้ห้ามได้สอนได้ใจของเราเนี่ยส่วนกายของเรานั้นสอนไม่ได้นะไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดไม่ให้ร้อนไม่ให้หนาวไม่ได้รังของโลกแต่ก็ออกมาฝึกนนลฝึกกายของเราฝึกความทุกข์ยากลำบากยากแค้นอะไรเมื่อจะเกิดกับกายของเราหมดความเจ็บความปวดให้เราอดทนต่อ ต่อต้านมันอดทนหน่อยประเดี๋ยวมันก็ดีอย่างท้อปวดขาปว ด, ปวดอะไรมากๆาเนี่ยแต่ก่อนมันปวดนะ่นแะเราไปตามใจมันหมดปวดขาปวดแช่งม่ก็ไปไหนก็ว่าไปมาได้มันปวดมันเจ็บหยุดพักให้มันนอนพักให้มันไออข่บางทีก็ไข่ไข่ามางี้ก็อยากจะให้หายก็มีแต่นอนนั่นแหละนอนยิ่งนอนยิ่งกลม ถ้าเราไม่อุดไม่ทนมันถ้าให้นอนมากๆมันก็บนนะวันนี้ว่าตัวนั้นยังไม่หายอยากไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปมีแต่อยู่ว้านอย่างนั้นนี้เอ่อมันเป็นอย่างนั้นแหะเพราะฉะนั้นเอาชนะให้มันให้ได้นี่ถ้าเราอ ย, อยู่พอไปได้เราเราจะไปนอนลุกไปเลยเออให้นอนมากมันก็ไม่ได้นะกายเนี่ยทุกอันเราบันเทาช่วยมันทุกอันนั่นแหละ ทั้งกายทั้งใจอค่อยๆดูวนไปเล่นๆไปสิ่งมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละมันออกไปมันทําให้ทุกข์ออประเดี๋ยวเ ก, ยเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สารพัดทั้งเดียมันจะเกิดไปทั้งคิดทั้งเป็นทั้งกายมันก็เจ็บปวดเหนื่อยล้าหิวทุกข์แล้วแต่มันจะแบบเป็นส่วนส่วนกายของเรามันเป็นอย่างนี้เอง มีเกิดแล้วก็มีแ่มีเจ็บมีตายมันเรื่องธรรมดามันเป็นของมันเป็นอยู่อย่างนั้นทุกทางกายมันก็อย่างหนึ่งทุกทางใจมันก็อย่างหนึ่งแต่เราไม่รู้จักทุกเนี่ยเราจะเป็นเปกับมันหมดเลยถ้าใจมันคิดมันทุกอย่างเนี่ยกายมันก็ทุกข์ด้วยถ้ากายมันเจ็บมันป่วยมันเหนื่อยล้าหรือว่าทําอะไรก็ตามเจ็บแข้งเจ็บขาทางใจมันก็อ่อนแอ มันก็เลยเป็นไปด้วยกันวันนี้เรารู้จักแล้วเออส่วนกายมันก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใจมันก็เป็นอย่างหนึ่งถ้ากายป่วยอย่างนี้ใจอย่าให้มันเป็นทุกข์เออนั่นแหละให้เราพยายามดูตัวเองแก้ตัวเองเอ อ, อารมณ์มันจะเกิดขึ้นอะ่ะให้เราดูอารมณ์ดูใจตัวเองนั่นแหละให้มันดีไว้ให้มันสบายไว้อย่าให้มันเดือดร้อนไปถึงกันถ้า ใจป่วยกายก็ให้มันแข็งแรงไปไหนมาไหนก็ทำได้เนี่ยให้มันมันมันคนอยู่คนอ่านนั่นแหละเราทำแรงนั้นแหละจะทําอะไรแล้วก็ไม่ต้องลาบากมันมีที่พึ่งที่อาศัยลดหย่อนผ่อนผันให้ซึ่งกันและกันนี่กายกใจของเราเนี่ยเราต้องดูเราต้องอบันเทาช่วยมันด้วยนั่นแหละ ไม่ให้มันเป็นมันก็ไม่ได้ก็ขเขาเป็นมันเป็นเรื่องเรื่องของกายมันก็อย่างหนึ่งเรื่องของใจมันก็อย่างหนึ่งเรื่องของกายมันก็มีเป็นอย่างนั้นแหละเป็นรังของโลกอะไรก็มารวมอยู่ที่นี้แหละส่วนใจนั่ก็มีหน้าคิดคิดร้อยแปดพันประการนะสุดล้วตั้งแต่มันจะคิดนั่นแให้เราพยายามให้มันเป็นคนละส่วนเป็นคนละอนันมันเป็นธรรมดามันเป็นจิตนั่นเอง ของที่ไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละเราเข้าไปติดมันหมดอันนั้นก้กูเก็บอันนี้กกูปวดกูไปไม่ได้กูไปไม่ไหวตายแล้วเป็นอย่างนี้ตายแล้วเป็นอย่างนี้บน่นไปงั้นเนี่เนี่ยพยายามบ่นได้ก็ไม่หายหรอกทุกอย่างให้เราอดทนต่อมันต่ออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนี่เนี่ยให้เราพยายามดูตัวเองอ่ อย่าให้มันทุกมากอย่าให้มันไปชังคนนั้นรักคนนี้มันไม่ดีอย่าไปอิจฉาคนอื่นอย่าไปข่มเหงคนอื่นให้มาแก้ตัวเนี่ยถ้ามันคิดไปก็มาแก้ตัวเองมีอยู่นั่นแหละมีทุกอย่างสิ่งที่มันพาเราทุกเน่ยสิ่งที่ไม่ทุกมันก็มีอยู่เราเนี่ยมอีอุปั มีมีอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนมันมีอยู่หลายอย่างอยู่อยู่ในตัวเราเมีหมดทุกอย่างอนละให้เราพยายามทำค่ อ, คอยๆทำไปใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชัว่วมันทำได้ทุกอย่างคนเราเนี่ยค่อยๆทำไปอตอนกลางวันก็ ปฏิบัติหลวงพ่อก็จะมาแล้วก็จะพาปฏิบัติ อ, อาจารย์ก็หลายๆอาจารย์อยู่ค่อยๆทำไปอดทนต่ออุปสรรคทุกอย่างนะเราอยากได้เราก็ต้องทน